จุดที่มักเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพานข้อที่3ความสุขกับความพร้อมที่จะมีความสุขความสุขเป็นสิ่งสำคัญและจาเป็นยิ่งในทางจริยธรรมและพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนให้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวะที่จะสวยความสุขได้ในระดับต่างๆมากมายหลายระดับ โดยเฉพาะเน้นให้พยายามบรรลุความสุขประณีตด้านในที่ไม่ต้องอิงอาศัยอามิตรซึ่งมีประโยชน์ในทางจริยธรรมมากแต่กระนั้นก็ไม่สนับสนุนให้ติดพันในความสุขชนิดใดๆเลยหมายเหตุตรงนี้ว่าการมาสุขไม่จำเป็นต้องสนับสนุนเพราะคนคอยแต่จะหมกมุ่นกันเกินพออยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้นพุทธศาสนาสนใจการสร้างความพร้อมที่จะมีความสุขหรือการทำตนให้พร้อมที่จะมีความสุขมากยิ่งกว่าการสร้างภาวะแห่งการสวยสุขต่างระดับต่างประเภทนั้นเสียอีกภาวะพร้อมที่จะมีความสุขนี้เมื่อบรุถึงแล้วผู้บรรลุสามารถเลือกสวยความสุขระดับต่างๆที่ตนเองสร้างไว้ก่อนแล้วได้ตามที่พอใจ อันหนึ่งภาวะพร้อมที่จะสวยสุขนี้เป็นความสุขเองด้วยในตัวและเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขอื่นทั้งหมดทั้งนี้เพราะมันไม่มีสิ่งที่เป็นเชื้อมูลของความทุกข์เหลือติดอยู่เลยและเพราะการที่ไม่มีเชื้อทุกข์เหลืออยู่นี่เองจึงกลับทำให้ผู้บรรลุสามารถสวยความสุขอย่างอื่นได้อย่างดีโดยสมบูรณ์คือทาให้ความสุขเหล่านั้น ไม่เป็นทางก่อโทษก่อทุกข์แก่ผู้สวยมันหรือผู้ใดอื่นได้อีกภาวะพร้อมที่จะสวยสุขซึ่งเป็นความสุขด้วยในตัวของมันเองนี้คือลักษณะ ส, สำคัญอย่างหนึ่งของนิพพาน